Amen. <laughs> ดับความเห็นให้ถูกต้องได้ข้อที่หาเป็นข้อสำคัญถ้าจิตผู้ฟังย่อมสงบผ่องใสมีเกิขดขึ้นจากขณะฟังเสอจิตเมื่อไม่สงบกขทั้งนอก ย, อนอย่อมเศร้เมื่อสองบ ย, ย่อมผ่องใสมีเป็นคุณญาสมบัติ ไปตามผู้ที่ปางเท่ด้วยตาตั้งใจจริงๆผลจะปรากฏอย่างนั้นกิน ส, บสงบคองสายวิสังขารถ้าสงบแล้วก็คองสาย้านี้ก็ฟังถ้านี้ก็สงบถ้านี้ก็ ทุกวันที่เรียนเทศฝันจากท่านแล้วก็เป็นเศรุมากขึ้นมากเพิ่มกำลัแห่งความเศรมากขึ้นความสลอดใสก็เพิ่มกับกนตามกิตเมื่อความยแล้วีง คืออาณาสงฆ์การสงเมีห้ประการดาที่ิบการเท่าภาคปัญญาศัพท์ภาคปฏิบัติไม่เหมือนกันทางภาปัญญาติดจะยิ่งออกสู่พูดบรรดาที่ตนได้ศึกษาแะรูยจมาไม่ ไม่เข้าภายใ น, านาการเสนอว่าการทางอาภิยะจีประสบของงอกยิ่งหาทั้งปีเาผการกับอาภิบาปส่วนภาคปฏิบัติจิจจมหน้าเข้าภายในแค่ออกมาจากภายในที่โดนา ย, ายาปฏ และรู้เห็นมามากน้อยซึ่งเราดกิดถือกับใจของเราขณะที่เทปติดตับเทศออกมาเราพูดเทปนั้นเ่ามาจากใจเรื่องด่วเรื่องดวนไม่ขอสู่กับปีนานะมีไม้หรืขขอคู่กฏิบัติที่ได้รับผลจากการปฏิบัติมาเป็ น, น้นตัด นำตั T ดแขาดความสงบเยื่สมาธิจนกระทั่งถึงปัญญาข้ามปัญญาจะออกจาการนี้ท้างนั้นไม่ขอบไปทามันผีไรล้างถ้าอธิบาตได้ผลอย่างนี้แล้ววามเทศจะขึ้นจากใจทั้งหมดแต่ถ้าเรียนไม่ได้ผลตามภากันหรา มันโยนหาตำวาเป็นนั่นแหละโีนเหมาสุดกำรานั้นตนรานไปแล้งน้เพราะฉะนั้นเระต้องถูภายนั้นก็มีรายละเอียออกมาได้ทีนี้เวลากาสจบถึงขึ้นภายในนับแต่ความสมุลขึ้นใหม่ข้าเข้าสู่สมาการเคลืน้าวะกา ข้าพุทปัญญาวิชาบุญคือท้นอะไรนั้นออกจากใจร้อยร้อยไม่ออกจากั้นพากันทำทําไวาสำหรับข้าพเจ้าวันนี้รู้สึกว่าหนาหน้าหนาเราดีความดีเห็นการุปรังวิชาปัญญา มานเคลย่อนามาเลยรุ่นเข้า่าเป็นทางไกลมากแต่ความรู้ษาปญิยนี้มีคุณค่ามากกว่าเราะนว่าอวากัรตระมาตั้งหน้าตั้งตาศึกษาอบรมเพื่อได้มีเร่องทการเกิดข้นแบบนี้แบตามหลักปัญญารีนั้นทุโธขวาตัณง จะไเมไป้จากการรียเองธรรมแล้วนําระดู้ปฏิบัติคนจะปรากฏที่ที่ใจของเราด้วยการการตั้แท้จากปุจารคที่การรู้การเห็นให้นเป็มมาของเราแล้วเป็มาสะวกทุกอย่างเพราะท่านบริสทธที่ถึงต้องนั่งยามไม่เจริยแลว <c oughs> จะมาตาที่ไหนก็จุดตั้งไปันไม่เหมือนการเทศโทษเทศเราที่ตวเองก็ไม่รู้แค่ตูนสื่ตูหนห้าไปผู้ฟังเขาไม่เชืนใจตนก็ไม่ได้รับเท่าที่ควรเราจะนันนด้วยไปดูอาจารย์มาอยากได้ยินได้ฟังก็จะอ่านกษรุปธรงมา โยงายเห็นใจบรรดาก็รุษต่างเพราะเราได้เค์ปฏิบัติมาหมดแล้วคือวาการนี้เป็นสิ่งที่ต่ำเด่นอย่างเด็ดชิวิวหาการปฏิบัติโดยเราเป็นไม่มีคือการไปแนะนำตสอยอมจับพาะและกำลังใจไม่ไปดี เมื่อได้มิได้กำจัดตัวการทดสอบน้องแล้วกตรก็มีกาลังขึ้นในท่านเดือดขอเป็นความสุขมนการพายตัวเราเองอากากนั้นก็เป็นกำลังใจที่จะหมายมั่นทั่งเงินมมากต่อผลการตามปฏิบัติของตัวคนแพ้เกี่ยวการดึงดูนการดูดการเตือน ตั้งแต่ผมได้ชื่อเรียนงานแนะนำสอนค่าเล่ารียนยางนี้ก็ถือว่ามีมั่นเ่งหัวใจเพ่งชีวิตทั้งตัวเวลาฟังแล้วเหมือนว่านึพทางชั่วเพ่อเพอเพื่จิตใจมีกำลัมากผลการบอกไปาดนี้งนั้นก็ ในหัวใจเกเ่ยงกัวใจผู้แต่ยากแต่ยากใจนี่การไม่มีไม่สามเป็นเป็นความสำคัญอยู่มากทีเดียวเลี้ยงการศึกษาภามาท่านผู้ปฏิบัติยาหลวงปู่ท่านจัดในตัวเองขอให้ท่านได้ร่วมกัิมาวนาของต่า ใจเคสุนใจในโลกนี้ว่าเป็นของดของดีของสวยของงามอันเป็นเหตุที่จะกลอกลวงทุสิ่นิ่งจนเราถวายรปกับสิเหล่านั้นแล้วขาดผคามเางานขาดขาดความพ้นใถหากขาดความพ้าใจแล้วตื่นก็ต้องขาไปทําตามใจเดินจงกรกลับไป้า ก็ไม่เสื่ไปหดเพรากจิตไม่อยู่กับตัวนั่งภาวนาหรอนั่งอะไอยู่ภายในที่หน้ก็พราะจิตม่มีก็ไม่เกิดอมไปหมดทันทีทอะไรทีๆอะไรต่างๆที่ตนเข้าใจว่าภาวนาก็จะเป็นความเรียร้อยเมื่อขาดจิตเพียอย่างเดียวเ่นั้น พระเจ้าขอให้สุาพถึงชัดเจนสม่ำเสมอแล้วก็ตั ch, ้งแต่เราพุทธภาวนาที่จิตยังไม่เบลอให้เจอไม่มีความตะมดเยี่อเกินเลยก็ขอให้ตั้งแต่ดูแล้วนาคาบริการเข้ามาเป็นเครื่องขอบเครื่องลึกของใจเช่นพุทโทหรือธรรมโมหรือสังโฆ เดินอันพานั้นาตื่นไม่นับตาตื่นตาแต่อารมณ์แข็งท้องใจที่เราชอบตามใจนิสัยของเราให้นำคำพูดคำที่โปรดอบนั้นเข้ามาทากลับกับใจของเราแล้วตั้งตาตื่นให้ติดแนบกับคำพูดคำไม่หวั่นไหวโยกอเอางับตาลมใจทั้งที่ ให well nice ้ม so ีงานใหมีเยาวรุ่นสัต์กับคำมูลทําำงานก็กันอยู่ภายใจไม่ต้องให้สนใลกับภาษาฝายเียให้สนใจอยู่กับที่ที่วกคุม้วแตไม่ให้เถือกันท่านผูี้ อย่าทำให้เป็นรักเป็นต่อถ้าอยากไป็นผลในการภาวนาของู้ีดีและตั้งหลักานม่นคงขึ้นได้จากคำบริกรรมจริงๆแล้วให้มีการบริกรร o การบริกรรมอย่าเอื้อสายไปไหนกามีการเนยิงได้เดินได้ไปได้มาไ การเพื่อนหรือมาทิฏฐ์เลื่อนแบบแปรสติไม่เพื่อนแบบคำมือกรรไม่ยมเถอไปนเลยนี่เรียกว่าเอจริงเอาจังแล้วอยางไรเรต้องไปาตุเห็นความเศรุ้นทใจของเราจากการนิจจิควบคุมด้วยคำมือกรรม และังคำช่วยจากหลวงพ่เถิดนี้เป็นความยินยอนที่เราจะจะับนวันวันหนึ่งต่อึปนี่คือการของ เรากะมาเตรียมเสกให้นาปฏิบัติตามสติปัณของตนตามคำบริการที่ตนชอบใจและกันเช่นเรากำหนดลูกโทคุณโศคำว่าลุกโทกับสติปันี้ให้มีความรู้สึกกันอยู่ตลอเวลาจะเป็นเหมือนคนติดคุกุฏาตอสามก็มัน เนื่องจากตาที่เคที่เคยคืนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเบี้ยก็ป่อยตัวมาตลอดไม่มีแรงงานควบคุมเมื่อได้เข้าสู่ที่ควบคุมด้วยการภานาซึ่งเําด้วยใจอย่างแน่นหนามั่งม่นให้เธอแล้วสิ่งเจ้าสิ่งเจ้าที่อยากทิดนั่งจากคุ่นีข้าอยากจวนั่งให เราพยายาอะไรที่นมา น, น่าจะมีเร่องแคลนน้ำขอไปเพื่อการสอบบาลต้องการของหนาเป็นองอที่เ ร, เ, เ, ท เ, ร เ, รเรื่องรู้เรืองเสียเรื่อง ต, ต, ติดเรื่องรอดเลือกพระิตพระนามขกอไต่างๆนา น, นามิย้วนแล้แต่จิตที่มันคิดไปตามอำนาจของเรื่องุหน้าไป เองให้ด่าถ้ามัให้แข็งแรงมักขึ้ น, นถึกจะเปิดปากใจขนาไหนก็จะปล่อยาว่ารทำวัคซี น, นักถ้าวัคซีนผักมันจะหาทางผ่อนลายไหนมาตอนชาจะปล่อยทางมันจะปล่อยไหตามความอยากชีวิตที น, นี้พอถืออทางความอยากชีวิตแยอมันก็ชีวเตกระเดไปเติมถ้ามันเสียไปแล้ว การขอไปขออยางที ori, ่จังเดือนแล้วจะคี้ตการหนึ่งผมรู้ทันความคกันปัติกให้เกิดประโและไม่ผเกิดประโยชน์่้าวนเลยที่ขอแห้ทุขุมธรรมตัดให้มั่นคงครานี้ผมเคยจำเนินมาแล้วไ่้ตัวเป็นที่พอใจเป็นทนำทีการนี้มาสอนท่านพระ เมื่องต้นก็ติดตัวแล้เบื้องต้นจริงๆภาวนานี้ติดก็ตกแต่งสมาธแน่นหามากนเหมือนผีทั้งแผ่นท่ลตัวว่าสินี้จับไม่เสือตามลมไปไหนเพราะเยาแต่เคยจับมาไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นยะไม่เคยยากาอปัชฌที่มาสอเพราะม่จกุ เมื่อภาบลงแล้วก็ทาให้นอนใจเรงว่าจะไม่เสื่อไปได้แล้วก็างเสรการภาวนาที่แง่หนามังงของตรั้นต่อไปอีกก็ยิ่ยากยยาภาวนาเข้าสมดใจ่าเข้าในใจบาพยายามเข้านั้นไปแล้วก็รีบพอ ว the ันขาพมาถึงย่อนหน้าย้อนหลังสงสัยตัวเองขาดสตินุกรรมไ่อยู่แน่ต่อใจแต่ยังมีส่อมไม่เหมือนกับน้ำต่อาจากนั้นมาก็ต้างความฝันความดยแนวตั้งแต่นต่อไปให้เราจะใช้ทำนุกรรมคิดแน่ส่อใจไม่ยอมให้ฆ่าไปจากใจถึงไหน ใจเขาเราจะเสื่อมคนจะเจริญองจะไม่เป็นท้าวสมนเพราะมันเคยสรงกองทุเยอเรืองใบยาให้เจริญเขาเองมีแต่ความแต่มันก็คือมวันหนึ่งตอนหน้าต่อาสร้างทุกขึ้นมานใจอย่างนี้เป็นประจำวันนี้ก็ไม่สนใจกับความเสื่อมของชาวโลกพรา เรงของใจคไม่มาถือเป็นารมให้เกิดความคิต่อไปแต่คำวินิจฉัยกับสติที่ได <that> ้สิ่งแง่่างถาว่าสติการคำริน้จฉัยม่างหันสื่งให้เห็นกันไปตลอดอะไรจะเสื่อมก็ให้เสื่อมไปอะไรจะดีก็ไปดีแต่ถ้าไม่ก่อคําบนญกฉัยคือผู้โทผู้โผ ติดแนขตัดติดไปตลอดบางครั้งภาษามันอยากที่รุงไปถึงไหนบางครั้งเหม้วนคนติดคุกติดตารานั่นแหละเวลาที่มันขึ้นรดน้ำยาส่งออกไปคิดเก่ยวบเรื่องนี้ารความชอบไรงนั้นเหมือนจะบอกแต่เราบางครั้งไปม่ถึงอนาคตไม่อยาให้เ มือวิ่งผีไปอยู่นั้นจากระ้นจับตาทำน้ำตาทำตื่นการด้วยจิตวิญญาณมาใาด้วยแก่ปืนตั้งหน้าตั้งานี่เราไมใหนเวลาทาลุณใจมีอารมณ์ของพเรนเวลาที่ตั้งหน้าแล้วตั้งนใจเหมือนหนึ่งว่าโผลกะองไม่อจากที่จะูแก้อาจึงก็ตอ มารทำไว้ไม่ให้งให้ยิ่แต่คำว่าพุโขพุโขกับะติอย่างเดียวบีแล้ก็ไม่มาต่อไปอารมณ์ที่มันตอบมันดังจยดารุนแรงนั้นก็คอยตอตัวองอยตวยมการฝึกผิด้วยคำวิกรรที่ตอบหนาแน่ขึ้นเ้ือยและเบาแต่ลมไม่ได้ฝ่าฝินที่บริกรนมหนักหนา นั้นแต่ต่อนั่นั่งไปกินก็ไปเลิกมีความสุขความปลดปล่ของใจที่เคยชกใจพื่อน่านใจคิดเหลาไปเบาลงเบลงทำบุญกรรมกับระเที่ตดแนบตลอดไม่ทารเสิร์่ากันเนตั้งแต่นอนกลางอ้ดีตั้งแต่ืนอน ฟัส th ิกับุทโธติปปัตันเลยจดนจะตั้หน้าไม่จอนให้เถื่อไปไหนเลยเพราะเราตั้งหนาตั้งาจกพิสุจนิตจนนี้จะงเป็นธัรหามห้าองเราเราจึงทำให้ถึงใจอย่างนั้นไม่เถื่อเลยนะจ่เคลื่อนไหวไปมาแทบพิสูจน์ณาลันรจะทำอย่านี้ก้องเถื่อให้ ตัเองเนี่ัรู้จะมีความรู้สึกรู้ตัวอยู่ตลอดต่อไปใรญ่เขาไปสมุกเย็นนองไปสมบุกเด่นลงไปจนกระทัาจิตเนี่ได้รับําปฏิกรรมจิตแมบตลอดเวลาอยู่แล้วสมบุกลงไปจนกระทัางเป็นความเหยียดนั่นเหยียดจนกระทั่งนึกคาปริกรรมผู้โง่เหนือหยาบแต่ของไม่ได้เลย เนื้ก็ไม่พอไม่มีภูโตไม่มีทความสงสัยให้เกิดผู้แก่ตัว่าเมื่อภูโตไม่มีตามที่เราเปนกรรมแต่ก่าเราจะทำอย่างไรถ้าภูโทไม่มีผู้รู้ทู่ดื่อให้ทำกติกาเี่ยวกับผู้รู้่เดือเดือดเสาลอยในเวลานั้นก็ตั้งกติกาดรอจับผู้ที่นั้นขอบริกรรมบัณฑิตาบุตร มันจะเอียดนะถเวลาไดังหวแล้วจิตมันจะไปอขอตัวที่ายใจอยู่ น, น, ยน้อยอนอยพอยกคำพูดคำแรกก็เอาคําูดคโผ ต, ติแนเะข้าไปตามย่างนี้ไปเรื่อยเมื่อถึงจันมวะทีล่ละเรียดมันก็เป็นอย่างขึ้นไปเราเก็องอยู่กับความยืดหยุ่นเฉย คนมีการกให้ได้ก็ให้ไดกบริบูรแต่จะสิ่สิ่งอื่นต่อความรู้เทียนนั่งไม่ใ้ทานส่วนให่ทำอย่างนี้น ไ, ไ, นนนนนไปกิในใจไที่มีความเจวัขึ้นมาแต่กอแววนแล้วเสื่อมใจวันเสื่อแล้วสื่อมหลงนั้นดนะาวฝนฝันไม่เยื่อมข้อนี <ừ. S 1> อแน่ถึงจะโดนนักยามาขแม้แนี้แปลว่าที่นี่ถึงทางแล้ว ก็ยิ้งขาัดลุ่นต่อตามข้าวเทียนต่อถ้าเป็นแง่ันมากเลยเข้าไปเลยแลยง่แย่โจมตีเข้าเข้าสุ่สมาทิที่เคยเป็นแต่อมมตอกถึงขณะดยวแันามารรงแจ้งได้ว่าหินข้างแตกตสตถที่จิตใจแอ้ท่าที้เมื่อมันถึงขัง้นเล้วมันเสื่อมลงไปข้ามใจทีวเราเห็น แม้จะจับต้งตามเาราให้เกิการองขั้นตี้คือชีวงนี้เองนะดวงที่เป็นอยู่เรลานี้เอาขัน้นเด็ดเดีไปหนม่บางครั้งถึงนั้นับเอาลูโทรไปอยู่ด้วยไม่ยอมตอบเอนานเสักเสือไนไแต่จ ะ, แจะเดินก็ตามสัเสืกามเราจะไปถึงหน้าบุอยังนี่ยังไม่จักจุดต่างปร คำมือถังเป็นลายอะไรีนเรามันจเริ่มขึ้นจีนเรมันกแน่นนาวถุงถือ้างนี้แล้วอ้ามจะเปลอกก็เปลือกไปเราไม่เสียดายแต่ผู้โตจะไม่พลาดกับการให้เป็นคำมือถัสนี่จีนก็ถึงขันนั้นแล้วมันก็ไม่สวยแต่ไม่เสื่อมก็ยี่งมันโตแแน่ใจเข้าใว่าที่ได้เราเปลียนแล้วต้องขยายเข้าไป จนกระทั่งิตที่แน่นแเป็นเป็นเหมือนภูเขาร้วนถี่น้ำแข็งเาขังไว้ไม่ตกลย สมาธิสมาธิแหให้ติดแน่ถนั้นเรไม่ต่อวางต่อไปก็ยแน่นหามันผขึ้นในทนนี้ความแน่ใจที่มันเกิดขึนไม่เสื่มแล้วเขาจะเกิดขึ้นเป็นเป็นที่แน่ใจในวัการเริ่ทำงานแล้วนี่งี่พิ่เ ก้าวเขาสูงตามการเดินจิตของนิจจังจนตแมอที่วางใจยาปฏิวัติออกร่าหามจมักที่ไร้ทางไปหาได้นำไปปจุบัติขอให้มีความยังต่อภาพการสุขของเราอย่ารบกแก้เองอย่าเปลี่ยนคำพูดกันบ่อยๆเลี้ยวเขียนเ่อคานั้นว่าจะมีเลี้ยวเขียนต่อคำนี้ว oh <c gado> e ่าจะดี ย่านี้เป็นแต่เพียงความเหนือไหลโยงหลอกไม่มีความแตกความจงเมื่อเราชอบในคำมือจำให้เราคำมือจำนั้นตีแหนบเ้าตไปยนี่เป็นความถูกต้องจริงนะอย่างนี้จะได้อย่างไรเช home, on on ื่อเชื <laimer> ่อการปล่อยน้ำสมดุแต่ไม่จำสมัยขอให้ทำอย่ังที่ว่าแต่ต้องเป็นความจริงนะยาเราแก อย่าเปลี e ่ยนําพูดก pues ันต่ออย่างนั้นการภาวนาทั้งๆที่เรามีหน้ามีกลางนมีกลางภาวนาโดยใช่เดิมเราะเราตื่นไม่ถูกไม่มีงายใดทั้งๆเพื่อนาวแต่งเดิมแต่เราก็แรมไปเสยโดยจิตชื่นกำขึ้นในอย่างนี้ไม่เหมอะอย่างนี้เพรา้นจิตตื่นจิตอยู่กับํารภาวนาที่ให้อย่างนั้นจิตจ ความสมดุาเก่งอย่าแน่ทัางมันรงขึ้นมเความประวัติประวัยในทางปัญญาที่มันท้าไปเรียกในเรื่องความสรวัติประวัยกับความสมดุลเก่งๆเดียวคนแล้วความสระวัติประวัยจะกลายเป็นถึงจะรับได้จากนั้นวิจพอพิจะงานทางด้านัญญาได้ก็ให้เขาจิตที่สมดุลดูระยะเวลาถามนั้นนะ คือสมอที่มันสุดตึงข้อนเป็นการเป็นเวลาเวลาเจ้าคุณคือไม่คิดไม่ตึงวะไรต่ออะไรลงคิดตึงเสียทั้งหมดเสือแต่ความล้วนๆอย่างนั้นเรียกว่ากินเข้าถืก็มาดูหาว่มันทั้งหรือมันมือแค้นตบต่อยให้เสียพอสดแล้วมันงะนั่งย่าขาัน่นข่างสมองของใจมันมีอยู่ประจําใจแ้ ทีนี้ไอ้่นาที่กายที่เรื่องยิงปัจจานายิ่ปัจจนาแต่ว่าความรู้แก่รู้แก่ในภาพในสมในจักรวรรายของเขาของเราี่แท้ที่แท้ที่ปัานาโดยอารเม่อมันเกิดทีเมื่อที่เกาะภูเขาท้ลุมองเห็นภูเขามองดูภูเขาทะลุมองเห็นแท้เอง แต่มอ่ารู้กายเห่ากยเห่ากายหญิกายชายมนเป็นเทวดาเป็นนันไม่ได้ว่าเป็นใจเกิดุมหรือเป็นข้าดิบหญิงนั่งบนไส้มันไม่ได้ว่าเป็นสองตัวข้าสองตัวน่าเสียหน่าผัวมันไม่ได้ว่ามันเขาเลยว่าเป็นว่าเป็นเทวดาทั้มทั้งโดหญิงมองหญิงชายก็แกกนั่งชาองหญิก็แตกหญิง โลนี้เต็ปด so ู้่เขาปู่เราปู่เขาทำรูปไม่ติแต่ปู่เขาปู่เราของเขากขาเาตายเขาตายาตยมีใครตายทีเต็มักพรดานั้นหนมันไมรู้ที่ตรงนี้แล้วใช้ปาที่รูกอย่างนี้แยู่ต่างลงขัตามบทะดิษฐ์ที่เตของขัจข้าเดนทางหนังให้ทิเกิดแยกข้าวยกข ตั้งแต่นื้หนัเป็นกรูกเขากระชากรให้ถูกต้านต่อที่จะนาดูให้บอกมันมี่กับตัวของเราพิจารณาด้วยความยากอันแยกข้ามกทางตอความตั้งเป็นตัวนั้งอันนี้เป็นตัวนีรื่อว่าแล้วก็เได้ไหมเนี่ย่างกายของเรานี้มันจะมีสี่ท่าที่เด็ดชับก็คือท่าปีนและเกิดตัวที่แข็ง การที่จำลาขานต่อไปนั้นตัวที่หลอก็เป็นข่าน้ำโยงจากไปตามน้ำโยงมาใส่กึงเป็นคำเียกวา้าโลงข้าวโลน้างาของเราทงียกว่าข้าและตรงมียาวขาเ้เทียบวัดเนี่ยเปนนี้มันก็เป็นขาวโงแต่เราเกิัอเป็นอย่างนั้น เราไปที่ไหนเดินทั้นั้นไมว่ามีว่าตยว่าพลาดว่าอะไม่ามือกายปัญญาสุจริตธรรมหลักสันต์เอาหยักอะไรก็ฝกเจไปฟันขักฝันขัดไม่มีวันถอนตัวเลยจริงหน่งเป็นต้องท้าปัญญาี่เดิตมารมไล่ขณะยิ้มท้าปัญญาให้สุริตดวยใจสุนานค่ะเมื่อจะก่อนจะให้เรียนแครสิ่งแค่ส่นี้ ไม่ว่าสามารถป้องหรือว่าทม่ป้งไม่ว่าค่ามสามารถยืดเยื้อของคนใดถ้าต้องเปลี่ยนแปลงเรื่งนี้ก็ต้องเป็นถิ่ที่ตังเองเพื่อทำต่เิมมาในความป่าเถื่อของผู้สังเกตแล้วเวลาที่นานจิตใจของเรามันเคยเสื่อเสื่อมขาดเป็นขันคนปราครื้อตัดเปลือที่มีในตัวของเราทางของา เช่นตอนที่จะท่านลงต่อให้พาไปเที่ยงป่าช้าก็คือว่ารู้ป่าช้าในตัวองมัยังไม่เชื่ออาชาติที่อยู่กับตัวมัเที่ยวป่าช้าผีดมันยังไม่ตายเที่ยวป่าช้านี้ิตายแล้วเที่ยวป่าถ่านีตานเมื่อยังไม่เห็นก่าช้าผีดที่นี่ท่านตขอให้ไปเที่ยวป่าช้า ่ำผู้ลงวที่สอนเรียนตอนเช้าเนี่ยให้ไปดูบาร์พรที่เขาข้ามาเดินอย่นนั้นตั้จะบอกเขาไม่มีการเขาตามางๆหนึ่งแต่ถ้าเราดูภาีเขาจ้นไได้ตาไม่มีการเขาทามต่างๆนะท่านที่สอนเรียนยังไถ้าให้ไปดูบทร์ หลายแบบหายแบบมันตายเก่าานั้น่ามาจนจนูนถูนทำไปแล้วสิยินเป็นน้ำแหวมเหนือชาติกระดูกอยู่ที่เป็นประเทศและตายใหม่ที่ตายประเทศไหนตายม่ท่านกรสอบที่อยู่เขาเที่ยงกับน้าเข้าไปทางเหือหลงนั่นน่ะที่ายอากไปทางใต้หลงมลายเป็นทางเหนือหลงแต่ไม่ถูกอิทธิ ตายเถินฝากข้ามันแล้วกสดงหนุนที่เจรนาถ้าจิตใจจะไม่เชื่อมแข็งด้วยสติปัญญาก่อนที่จะนาถ้าขาทำถ้าเอาที่ตายเอาเก่าจแก่เองเป็นนั่งรือแต่โกงสติรือแต่สติเที่ยวก็ปัสสาวะมีผู้แข็งผู้งดเลี้ยงอนู่เข้ามาเติมระฆังถงสงฆ์ตายกับตามมานท้นมา มันน่าฟังฟองขึ้นื่ขึ้นยาแต่ถ้าจะกระตุ้นสรนำคู่เข้ามาดูก็มาท่านท่านให้ดูตาใม้ไปดูจุดที่ตาใหม่ๆึนเข้ามาทิ้งให่ๆนั่นยังไม่รับสาพเดิมยังถือสมว่าเป็นของดัวนงกาด่าด่ยาเขาไปยาดวนระยโศกประเทศนี้แ่ท่าประกอบทั้งหมในปัญ เราเป้าทุจรณะที่ยังปัจจานะนี่เที่ยงเราปัจจานะนี้ป่าเปที่เราทุจรณะเราที่เที่ยงปัจจานะคือตัวของเราเองที่ยอยู่ในโลกภายนี้เที่ยงหนังพุ่นหอนอยู่ตรงหน้ากอเป็ดขั้นซื่อเป็นกัปเป็นอยู่บนต้นว่าเทวดาทั้าสูในลยล่ะมีความเหนื่หนานสู้หนังต่างหอนนึ่งไว้ที่ทายั เพราะฉะนั้นโลกขอนเรื่องนี้พระพุทธเาให้เขาจินเขาจะหาควมรคือปัญญาสอเขา็คือทางหลักความจม่นสวยที่ไหนงนักนที่ไหนข้างนอแม้เป็นผิวหนาม่าเยอะบ้างบ้างก็มีท่หนาที่ไกสิเพียงว่าเป็นที่หนาที่ยาเป็นยังไนผิวหนาเขาป้าผิวหนาเขาใสมันหานาเาไร เต็มเลือดเือดเะือดเชื่อเยอะไปของตัวตะกุนอากาศฟาดหรือหนักเข้าไปเป็นเนื้อเป็นเลนเป็นกระดูกพิจารอาแยกไปจนกระทั่งฐานต่อถ่าย่แยกแยะดูด้วยตัวเนงนะครับทำการปูนปลากระดับกระดุกไม่ได้เพราะเราสองขาดูของอยู่นี่ระยะเวลาพิจาราทางด้านขั้นให้พิจานาการตีกับมันตั้งตั้ง เมื่อเขาคาดมาเขาคาดมาไม่เขามันําเที่ยวนะว่าขีเที่ยวมี่กระโดดตกเรือแต่เขาให้คาดไปคาดมาจนระทั่นมีคาดมีไข่เปียนเสียนอปักคอรังได้แล้วไปปักไปมีการพิจารณามาเอาทุกข้าทุกายข้าเขาข้าเรา ก็พิจารณาจะมีคามนป็นธรรมเนื่องจาารมห์ต่างๆมเป็นเค่อมา้ไกของผู้เิจารายิ่เหินชัดเจน่อกไปเพราะเรามเกิดความอารางๆเกิดความขัดขัย้งเป็นไปรู้นี่ลินมันจะเร่ขอรูปปาตขอมันถมัตั้งท่าเ่นี้เป็นของวนทองานจะไม่ตัดขาด เป็นขอก็จะดูขอก็น้าเปลี่ยาดยะหของปัตราที่จะนาตามความคิดนเมื่อมันเห็นก็ไปอย่งนันแล้วหาว่าลราิดนานนานเลยใจมันเคืองนะถ้ามันลื่นก็ไปลื่นก็ไปถึงเป็นความเธอยากินาไปเรื่อเรื่อ่างถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นความโเดินถูก็ให้ย้อนขีดขอมาถือปลาสังคือสมัยที่เสีย เราทํารํากรรมนั้นเราไม่ไม่มีความบาปหรือความร้ายอะมันมีชั้นนั้นชั้นนี้หรือต่างๆเอาทำกรรมตามเองมตัดสินกรรมเดิมนะครับเบสูงเรื่องกรรมทำกรรมก็ไม่สูงเรื่องกรรมอำนาจกรรให้ทัศนีติงตรวจสอกรรมดีกรรมเพื่อควสบขอสมาธิขอเรสมาถ้าเรารู้จักประกรทั้นหเรื่องตรงแบบคอบ้อ กินก so er ็สะดวกไปว่ายๆถ้ามันเกิดเป็นตัวต้นระบายขาให้พิเารณาทางด้านดีด้วยและเป็นนำทางโดยการเข้ามาสื่อสารให้จิตสะดกแน่วด้วยนะยาฉีดตัเพื่อปัล้วที่พิจารณามากน้อยางไรก็ได้อย่างนำมาดึงอารมณ์ในขณะที่เราต่อตาต่อสนุกให้จิตอยู่กัดความสนุกแน่งง่ายดีนั่น โดยกิจานี้ขอตัวนะผมกรจะการพิจารณาทางด้านสัญญาการที่จะพิารณไรด้เราก็ภานทางด้านัญญาำอย่างนี้เรียกว่าสุกรองไม่มาไม่มีปัญหาสมาำเสมอเสมอโตนสมอไปเวลาทางานมีการพิจารณาทางด้านสัญญาเราก็ําานพิจารณาไเวลาเราจะทัาิให้มีความสง ในสมาธิเราก็พ้าเอาจังยนของหจเพื่อการสูที่จัฒนาต่อไปให้เป็นร้างเสร็สต่อเวลาที่จะงานนั้นไั้แต่ไม่ต้องรูจักจังย์ไปถ้งเห็นว่าสมาธิไม่มีมีแต่เรื่องเวราผ่านเก้าเลยเพื่องขาเรี่องหายเรื่งตะกุนบางตาต้องทั้งขาดขาดเรื่องมันจะมีความขมขื่นหายเแล้วจะเข้าตัวไเ เมื่อจิตใจรู้สึกออกทีในกามพิจารณายล้วให้ย้อนสิตเข้ามาจิตประมาทีทำใจใหมาสงบแลอว่าต้องทำลมจักรงาสัญญาต่อห้ให้ทำงานที่จิจนาทีหรือรวมแนวอยู่นั้นเรียกว่าตองถมกำลัให้จิตโดยกระทั่ปจิพอแต่ความสงบแล้วพอจาออกมาเขาพิจารณาจักญาตามเดิมนี่เรียกว่าเป็นความ ปั้งแกนจังกำลังกำมือเลยไม่รุ้งกระดางขอให้การฝึกปัญญาฝึกงานอย่างนี้และพิจารณาไปทีนี้การพิจารณาร่างกี้เมื่อน้ำเขาไปงานเขาไปมันจะต้องตัวรั่วเป็นมากทีเดียววันที่จะมาถึงนั้นจะาผขึ้นจากผู้พิจารณาเข้าใจและโดยการไม่มีใครบอกไปก็้ามาด คุณข้ามข้อตัวระ้วมันกาเหมือนตัวใส่เพิ่มนต่อการศึกาได้เยอะจนกาะทได้ข้ามเข้ามาถึงตารางท่ให้ภาพถึงนิ้วเท้าทำหนึ่งร้อยาห้จำจนอย่างนี้เี่้วท้งเรียกว่าจำเป็นเรื่นักเทิร์นโถคุณขามสมมตานที่ข้าพเค้าไม่รู้กับกำลังธวรมดาไม่รู้กับทีมบ้าบ้าไม่รูกับการกระที่รายะระยที่ไหนกัน อยู่ที่ใจของเราใจก็ถึงนกับผ้าพันธุมัตเรานาที่จะปฏิบัติเพื่อระงับที่เด็กทำลายิ่มันพุ้มผูิใจแย่งกันใหรือไม่ตามของฝันใจปิดใจอยากจะได้มีความสนันเอาผู้ใจสงานเราไม่มีแรงานัตเป็นห้วใจอยนนี้เาทำเชื่อเชิ่ที่ตรงนี้แต่คนก่าสอนคนจุดนี้แล้ว ยังบ <c baskets most slippery> ังดาสาวุทางหลายชั้นอื่นกรดับตัรไปอากเจาัที่ได้เสอกันรอ้นมาปฏิบัติท่านก็ตัดตัวมาผูกพันกลุ่มมารือยเือยๆจนะั้นเป็นฐานฐานฐานฐของัวกเราที่เป็นาเป็นที่พึ่งของัวกเราตลอดมาจนชนทุาเพราะท่านเป็นสาระสำคัญได้โดยสิ้นแลนี่นะาพการ แล้วพราห์นี้เป็นตลาดมั่งังยงยานอยูเรื่อยเรียว่าพกาลิโปมันมีคือไม่มีรากฐานแต่มนุษย์องสงสัยแต่จากผู้ปฏิบัติจะพึงตระหนักว่าของยุติรราจะออกมาเช่เดียวกับทังผู้กราำหรือทั้งผูกระนนงคัู่เพราะทมเป็นส่วนขายะายแบ่งเดี่ยวแต่ซอสทำย เราทำมาสอขอ่ are, <t rain> ้ที่แก้วิธีใดทันสมัยตางเทียบสบายตามคั่วที่มีเพื่อนากันำเงินจางีอย่าพากานตื่นเต้นที่จะจบโลกจากบนตางั้นมีแต่ปูนแต่ปืนั้นแหละเวลานี่ศาสนาเราที่เป็นข่าวแทกเหมือนการตกศาสนาประจัญตัวของตุกดตงนี้ตงใ มันมีแต่เรื่องของจิตความยอมติความส่งมองไว้หมดมองถึงคนเห็นจิตใจของเิตเดชแสดงออกมาตาคันใจชาติที่อยางอายาต่างต่างนาการอยู่ต่างการคยู่ตามสิ่งต่างๆของสุจักนี่จิ่เดนทัวคุณนมบัตของจิตเป็นเชี่ยหมดมันเป็นการเทลื่อนจิตเดชใ้คนทํางตนคำว่าทำทำสุขความพอพรมเยอะไม่พวใจสุดและจะไม่สุด มันจะมีแต like is ่เหล่าล mm ้มก in ็จะออกน่าออกตาแยกยามหลังวันทำปุ่มทำคนไปเรื่อยเรื่อยแบบนี้ให้พาการย้อตัวเองเวลาที่กำลังถูกเรียกปีนี้ใส่คำสารวัายากโดนขั้มทางที่เด็กนั่งนระดับาน้าเนี่ยมันมันเป็นการมาตั้งแบบนี้เรากวังวันนี้เด็กมันให้ได้ยันะเราอยากเข้าใจว่าเราหวัแลวเราตืนใจ ความปุจจาระงานปวดใจตัดใจคื <sensor salvation> ่นตัจะได้พ้นที่เป็นความมึนตัวปวดมากที่ใจเป็นความปวด่งใจมึนจะถึงไม่ถมแต่ลนความปรารถนามันไม่ได้ถึงจุดตายนี่ให้คลายอังวลทางใจอาทีวะเสร็จหาสาขาวุ่นที่แต่ลังฐาเยอให้ชิ้นตากลงไปจนต้มสั่เจือสาลงมานักขาอัมตาตโต ผมผงเล็บฟันนั้นผุพลาทั้ห้อัแล้วั้งกัวนนี่คือศาสตร์เที่อย่าล้ำคดล้ำายถิงที่เป็นจรงเป็นไเป็นทายตัวของเราทั้งผมแล้วผมจะโวยดงานผมผู้หญิก็สวยผมผู้ชาสวยเนี่ยผลเันสวยเปนหม เขาดินขาขาดร้ามรอบงำม่มีมรดใสุขไม่ที่ที่ได้ปรกอี่ับหัวใจเรามรดสุขเขาอที่หัวใจเวลาที่มันผูกพันกันให้เราได้ความสุขโดที่ผงกามหัวใจเรามันจะได้ความสุขอดไปยิ่งาวไปขึ้น่าเป็น์จะได้เัว่จ เปิดสาวูมาหนาาตโแยกภาเแยกฐานแยกต้นตกตมันเป็นที่เป็นหงทำแล้วทำรทำามทำตา็นงารสดำจิตใจประจความเยี่ยของไหาโดยสมานเสมแลต่มีเรื่องพระามที่จะเป็นสุ่งหน้าดุษเมื่อเราดำคืนจะหลอกมาสมันขี้ามขโมงใจองคนขีมาเลยบางอางความรู้แจ้จะรู้แจ้ไปรื่วยเื่อเรา จับแยงอยู่มจับจึการเข้าตัวไันเลยเยอะแีการขอทางขอหนุกว่าทาขอที่สรางหรืไม่นเขาในเราไปเสียได้น้ใส่เร่เรี่ยๆเที่ยวกระการจีนนางหน้าข้างเรื่องทำขั้นละเอียดรงไปนั้นตัวรับตานีเป็นตัวสันฝันฝันฝันฝันเอาไว้หมดไม่ได้ มักเกิดมาเมื่อคนขเราเขาดึงมารงจิ้มกับความรัาของธรรมในการเผาตาการบใจหนีใจขาดอันนี้มันเลือกไปเลยทั้งนั้นทางเลือมันคือว่าดีไปเรื่อยขอามธรรมเพราะน้มันมีฉากตัวเราก็ถือว่าดีจะเสียหลุดจบอะไรจะดีไาหมดครับมันเลือดที่เขาแตกไปไงแล้วทีทางนั้นดี่างนั้นต้องใส่ทั้งหมดเพราะเกกับเอาปัญญาเขาแท้ที่จะนา ในหน้องจักรพริานมหานการนาให้เรามีต่อไปเราจะไปขึ้นนาวีถ้าไม่เห็นสวาที่เกิดขึ้นจกกลางศึกษานที่สาจะค่อยลกข้ามกลางขึ้นศรีสังขของผมท่านแยกออกากที่ที่โบกโรู้เอ็เอ็ป็นนักยักษต่างชาตอข่าวท่านตั้งหนุนตั้งใจเวลาที่สามนา เลี้ยวแหลมคุณนั่เลี้ยวแหลมกันนะดูที่ไหนก็ดูนะให้เราดูตัวเราเองนะดูข้างบนอย่างใหญมอย่าไปดูสกายบนบนบนเขาที่เขาไม่มีขอบที่ระดับชัดเจเขาเนี่ยขี้บัดนี้มัหน้าที่มองเห็ว่าเป็นตามแบบขาตามเป็นตามที่ใหญ่ของเขาแต่เราดูภาพที่ขอคชัดเจนที่ระดทบบนนั้เป็นรัวตั้ ไคว่าวามเชื่อให้เข้ามาสู่ตัวของเราเอให้ฝึนางธรรมะรวงตาให้ีท่ี่เป็นของสำคัญนะแล้วจำเพลงตลอดัปเรื่องางกันสดทพระบาทจะไปถาทไหนให้ดีที่จิของเราระหม่ที่ิเกับความรัดกันยู่สงหน้าทิ่เป็นทรเหนียนาเป็นตลอดมันจะเชื่อมโยงคุณอย่าเรื่องแล้วอะไรนี้มันจาเป็นเนื้อแป็นหนเป็น ตดวเป็นตัวเป็นของเลือของเลอดขึ้นมาทุกอย่างนะครับอารมณ์ที่เรียนรู้ที่เป็นแง่ป็นเป็นความทั้งขางขึ้นมาตื่นมันกระดดไปเลยโง <Ba> ่กว่าตเพราะนั้นคือต้องทำให้เขาแทรกตั้แต่ค่ว่าพี่นาเดอต่างหลับใจากขึ้นจากตาจังหวดอย่างเี้ยอาการเป็นแบบก้าวเที่ยวหรือธิบายว่าตรงนี้มันติถ้าผู้ยังไม่ได้หลับใจให้ตั้งหลัใจ้ ลนครับอ้พยายามนี่ยะจะต้องกากผลแน่นแต่ต้องเป็นคนจริงนะอย่าพัาลาแย่เอกทเรื่องไทํยมทานไปแบบนั้นล้วจเียประโยเมือนจะมันตายจะเกิดกนะถ้าเอาดิงจำเนี่ยก็เป็นอย่างที่ว่าที่ผมทำมารืองยกเอาตัวผู้เป็นนะไปพยายามเลาพยายาม เพื่อวมให้สมัยดเนินวิญญาณขอผมเป็นที่ขอแต่ที่วิญารเดินได้นําวิานี้หนักแต่ผู้ที่ตามจะจริงทำไถึง่ไม่ขาบได้นะสำหรับเราทียไดปฏิบัติมาบอกนี่จริงมากจริมๆวิญญาไวิญญาณไม่เฉยจริงๆตั้งแต่ตื่นอไปไม่อยากให้เฉี่ยเป็นเหมือนยิ่งบอกเขาถึงผู้ที่ทลา เการนำติามนิัญญากปะิดกับ่นแต่คำาำดงเอาว้ไม่มีการติดกับคำนำตามดึงเอาแต่อย่างนั้นเดียวมีเื่อนเก่งเอทุกคัเรามันจำเปนสวยแบบที่เดตัวอย่านี่ยมันทราบกัรนำตามดึงตามเางได้ยินกันสลาดนูมากในยุ่งแากะจอาทับวัดอย่ไม่มีกันเลยมันจะรู้ขนาดไหนอาว่าอันน าปลยอไป้น้วมระว่าสุบฟาันากันมาคุณ้ามัาดก็มีานใการทั้งนั้นยายเราหอเลถึงแลบบจากนั้นคือท้าจะที่ท้าตาคุณท้าที่โรยองเวลาในครั้งนีการสร้ต้นแบเปิชามาถึงวันนีม่คุณท้าในที่นี้งั้นก็ต้องเปที่ของคน มานแกที่ไหนม่ก็าแต่สมบูรณ์คิดถึงสามครั้งถึจะเกิดคิดที่เที่ก็เกิดคิดถึงเรื่องอรมนก็เกิดเปรเพราะที่เด็ดธรอยู่ในโลกอย่างสมบูรณ์อเดียวั้เ็นเรืยองว่าที่เด็ดธรหมมันมีมารยาทมันจะกิจการกระทานตื่นชิงน่านยมันลงร่างของที่ตามแ้ไม่มีมเกิดเช่นั้เราต้าทกาจะิบัติา ที่ขอได้แล้วท่านบกรณีการไปสู่ท um. mm ี hmm. ่ไหนก็อยู <asket> ่บนทากาการปฏิบัการทำมีการกระทำปิิดสังเเนะไม่ว่าทั้งนั้นทั้งที่เรีกเปประเทศเดียวกันทั้งแต่ทัางประเทศการมาปฏิบัตนี้เป็นประเทศเดียวกันล้ําธรรมะก็ตั้งแต่ตั้งนานจนทั้งมีโชคลาก็เป็นวาคาสังขิจไลอดทุกสิ่งทอย่างแง่แรเดียวกัน มาแคมื่อเราแก้แล้วเกิดตาถ้าเอาพลังมาแกมาพลมาแกตายที่กดขา้ายกออกานที่นั่นตรนี้กอเะราะคนที่ตายก็ไม่มีไม่มีอยู่นั้ตายกองตังไม่มีครับนั้นาินตักตายองตังคือเชื่องานเชื่อกรรมจิตยิตยังก็ได้ผูกพานเขามีชินกันนี้ก็คือตามหลงตามที่เนั่นแหละหลามที่เกนี่ก็มาตายกองตายตาปองตัมอยู่ ดินภาคัมวาแก่ใจของเราเมื่อเสด็จถัไปจะวางเหมือนเป็ตาของ้าันเห็นไหมหือ่แก่ใจไปเร่ามเมือยโยมมันเป็นนรกิโนโรกอเมื่อหลักมื่อรงตัวองนันองมีอภินิหาแล้วจะาว่าเพื่อท่ไหนอยาจะไปนูประเด็นตัวตายที่ไหนยา เราเรื่องการเกิดการตายเนเรื่องนี้ทรของเราต่างหากอ่างแท้งเราได้ยินเนี่ยผู้ทิ่ทำทั่วนันจังเรื่องเ่ิเสษระดับที่นีคุณไม่ีว่าเพราะว่าเกษตรลนปากของคนตาบอดนั่นแหละคแก้ผู้าดมีขอไปแล้วท่านอได้สี่พระองคเนี่ยนี่แหละที่เราดิ้นทีมาต้ัปกต่างๆเนี้เา ทุกเจ้าทุกวท่านมันรบก้าวไปด้เป็นประสาทปรมากับ้างกับนปาไม่มีคไม่มีนะราไม่มีสว่างไม่มีและสร้างจากการสร้างเขาตรงตลดเวลาในมนุษย์นี่ะเขาคอแล้วคนรบก้ามบั้นระดม่มนที่ส้างแต่ขาจากังเท่าก็จแบกบแบกตั้งอยู่ในวันผีตัวนี้ โทษจากการพัฒนาร่มไม่ดีนะทานกระอามไปเยอะจนสุดไปเลยนะไม่แค่ผลการตรวจท่าอกว่ารมไม่ดีโครงคำวิกันแสบโลกริ้วตู้แก๊สโลกนอกโลกในถูกกันมาสองคนรอกวดเปร็จก็ตัดอาการจะรุนละแล้วจ็ชั่งเพื่ความต้นขาดเป็นหัวใจของเรานูท่ามีกำลังมองมีก็ามรับผู้เป็นๆอย่าเงี้เวลาไปส่งแล้วมันก็เห็นแด้เลย เวลาป่าคลองไปเลยโรคนี้บอกนี่มันก็ไม่เห็นอนกันเหมือนเขากัเราถ้าใครเจ็บแะไที่เด็กนี่ก็ต้องระลังความรู้ความงานเหมือนกันถ้าใครเจ็บแบบทํายุ่กคนนาม่ต้องสงสั่เพราะทำแบบนี้มนมีข้อเสีอาการลิบโง่ๆไม่ก็การย เราปฏิบัติธรรมที่เป็นัเป็นที่วันยทางข้ามถ้าเราทํามแบบความทั่วการที่แบบดววางย่างขามก็ขอบคุณแค่ามทุกข์ธรรมดเราล่ถ้าเราป็ิบัติเราคำบัดอยู่นานคามทุกข์ตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อนแรกเาเกิดขึ้นที่การทำเราเกิดขึ้นใจของเมาตลอดตั้งแต่ม่อวันแรกเราทำตั้งแก้าวแรกลงตาิ วารเป็นู้จัเงินงแบ่ื้นฐานสึงนี้ื่อระดับความคนือให้ขาดควนไปตัดแต่นคือการเป็นผู้เลือกเวมาให้เอาเท่าไรจากว่อยู่ใคทุกวันนี้พาควาจเอานักพวกประชากรก่โยมีเ้็ที่ยาวมีความขหรอนในสังคมเก่าและเขาเหยเยื่อก่าโยเตามหาที่ เป็นไปืนท้ายบนเขาเปงนขนาดแหลถ้าเป็นวัวแค่กิเลสขึ้นวัวตองามเขาแต่การเป็นวัวขึ้นวัวนะครับเขาประมาณแหลถ้าเราฆ่ากองวัวขึ้นวัวก็เป็นคนดีเป็นไปต่อขึ้นวัวเป็นชาเขาเป็น่าดีดีแค่ไหนดูประการประการของอย่าลวยอว่าล้าโลกนี้ยิ่งฐานะเป็นไตร่ตรองทางานเนี่ยพูดแล้วเราไม่สนใจ ยิ่งหาปสวันตัวโ่ธรรมะเป็นชาวตูมาไทเอเห็นที่ก่อห้สัญญาจของพูดในคนจะละายหนแท้ไม่มี้าจะเรื่องของพูดเป็นเมื่อแตู่นสัาการไหนคแมวที่เป็นวท่าตูดมาไทยแดนั้นตัวหน้ากูออ ยังมีช่องทางให้นไดก็องดูปฏิอางนั้นม่เคยมีการให้ตัวเจ้าของแห่งานี้ะการสอนนันสอนให้เขาใจท่กงให้ฟัาถต้องลดใจที่ถูกตอปิต่อตัวเองที่กอตั้งคถามถามตัวเองทีกแวจะมีทางออกทางออกเสมออย่างเราจะไปหลังศัลยภูมการงานทั้งสองแห่งที่เหมือนันเราจะเร่งหมวพัฒงานยั ของเราเนี่ยแตนี้ชีวิตของเราตลางกันพิชีวของเราที่หนึ่งเป็นเด็กตะกาอย่างนี่ให้รี่ที่เด็กตะการดี้เขาได้ฟังแต่พักผิวมาถึงไม่จำาเราได้ได้มาผลต้องไปได้เป็นอันตรายหาปัจัยมานาวันนี้มันแค่เสือเสื่มแต่เื่อมคนรู้เงินห่อยไาได้ก็พราะความสุขใจจึงแย่ลงมา ตอนนี้การวนขั้นนี้กอให้จะพื้นฐานไว้ดีเรื่องระดัสูงสูงสมาจะอรีื้นฐานรองจะัขอให้ต้นมีให้ย